แห้งแข่วถ้ามันเกินโคตาบาดนี้กะกินข้าวแล้วไปนั่งรัดมันอยู่มันเสี่ยวอันบ่มีหม่องปรึกษาเด้อคือเห็นแต่มันมันบ่บ่บ่บ่ ไปยืมแน่พ่อเสี่ยวจัก 5,000 เด 2 เดือนสิให้ดอกดอกร้อยละ 10 แล้วพ่อเสี่ยวบ่มีหม่องเพิง เมาก็สร้างผัวกูตัวแม่นผัวมึงตัวกะปีนึงก็ให้เหล้าเมาเทื่อเดียวก็ให้น้ำ อีหลีเด้ผัวกูรู้ดูตัวบ่แม่นอ้อยแล้วมาแล้วอยากได้เขาแล้วอ่ะ ถ้าผัวไปผิดปกติเกินไปใช้เงินเกินไปเว้าเบิ่ดยามเมาพุ่นเบิ่งโทรทัศน์แล้วเบิ่งข่าวหยังแล้วเรียบร้อย 2 3 เดือนได้เท่าใดแต่ละบักละบักนี่แม่บริหารเงินนี่เข้ามาเก็บนี่เจ้ากินกับประธาน อบต. นี่อ๋อพอก บ่ถ้าบ่ออกน้ำการสิออกน้ำกันจังได๋นี่บินก็มีนี่ๆเค้ามีบ่เฮ็ดจังได๋มันก็กิดออกไปตั๊กก็ซอยกันแล้วตั๊กซ้ําก็ใส่โทษเจ้าก็สิเป็นเบี้ยล่างก็ได้นี่ออกก็ออกน้ำโอ้ยสิจมหลายนี่คันเมียเว้า เอาใส่จานนี่คุ้เข้ากราบบ่โลดผัวนี่มือล่ะกราบพ่อเด้อโอ้บ่สั่งว่าแต่เรา นมตัสสาภควโตอรหโตอีหยังน้อแม่บ่คือสิว่าเว้าจังซี่ดออรหโตสัมมาสัมพุทธะเว้ากันก็ 20 ปีแม่เป็น เว้าเรื่องแนวบ่เว้าให้พ่อนักอกนักใจแม่ขดเอ๊ะ ดื้อตัวดื้อกะสั่นบ่ทันไดเนาะกู จำไว้นี่รถที่พีแล้วพิษกันอย่าไปพิษให้ลูกเบิ่งปัญหาลูกนํามาอีกเด้จังว่าเรื่อง เพิ่งยิ่งถึงผู้ชายเสียคือกันเด้ย้อนครอบครัวไม่อบบุญย้อนหยัง พวกแม่ยิ่งห้องอาหารเฮาจะใส่อันนี้คู่ถือมาผู้ โอนเงินให้เขาเบิดทั้ง 10 ล้านอยู่นะเขาเบิดเมียให้ว่าซั่นพ่อคือเป็นจังซี่มันเกี่ยวเรื่องหยังเฮาโตแล้วพ่อหา จำไว้เด้อผู้ใดมีผัวล่อๆน่ะเฝ้าหาพระต้องๆเด้ต้องๆปล่อยไปคือ หาแนวแต่ว่าสนัยาแฟกตัวนี้ก็แก่ยากๆอีหลีเด้อน่ะ เออคือแก้ได้จะว่าจะไปด่ากันเด้ต้องตั้งสติเราคือคนไข้เด้น่ะอย่าไปใหญ่ทุกอย่าง ก่อนสิเฮ็ดอีหยังให้รอบคอบซะก่อนก่อนสิเว้าหยังให้รอบคอบซะก่อนจังสิเอา บักถือเฮาเฮ็ดดีอีหลีเด้ผู้เมียดีอีหลีผัวบ่เฮ็ดหยังมันเป็นแต่สั่งก็สั่งมันนั่นกรรมเฮานําตัวซาดก่อนเฮาเคยเป็นผู้ชายเอาเปรียบเขาผู้ละคนนี่ตะลีโต๋นเด้ผัวฮักเฮาคือ เห็นบ่สวดมนต์กรรมเป็นของของตนกรรมเป็นเดนเกิดกันไปที่พึ่งอาศัยอันนี้แน่นอนเลยหนีบ่หวิดแต่ละคน เป็นยังไงเป็นจังซั่นเพราะอดีตชาติเพิ่นเคยตีแม่เคย ตีตายแล้วก็ในอดีตไป 5 คนเอาของหั่นแล้วก็ไป เป็นตรัสรู้แล้วก็บ่เบิดได้กรรมอั่นถ้าอ่าแม่ยิ่งจังสิกันผู้ชายคือกันแต่ก็เด็ก สัตว์โลกทั้งหลายอยู่ด้วยกรรมสังเทศกรรมดีมาตลอดคือพ่อออจังสิเกิดมาแล้วก็รูปรอดพี่ท่านก็เก่งประเโอ้ยแม้ ยะวะคนมันบ่เข้าถึงธรรมะติเหล่าใหญ่มันบ่เชื่อกรรมผู้เราก็เลยบาปบ่ขี้สั่งสุอย่าว่าดอกภารกิจประโลดบักหามที่กินหลายเหล้าเขาเห็นว่ากินพ่อของตัวจมจักดอกเดี๋ยวแท้บ่กูก่เป็นห่วงมึงห่วงเอาหัวพ่อหลวงพายไปเสี้ยวนี้กูสั่งแม่กูแหน่แหน่แหน่ <cười> <cười> <cười> <emás S 2> เอาไปเอามาแม้หาเมียให้เอาเมียซะลูก อีเซาะบ่เอาได้เลยเมียเบินแม่ตะอะไรห้วยมาอยู่นํากันบอกพากมึงหัวอีโหไปแล้วแหนนไปไปสิเอาไป อ๋อเอาพอขี้ขี้สิเป็นหยังเดียวนี่มันบ่เราอะดิป๋าแม่มันสิน่ะ เอาไปเอามาเมียสู้บ่ได้ป๋าลูกก็หนีไปนํา ดอกได๋ยังจะบ่ได้หลายกอกข่อยข่อยก็บ่รู้มีเมียสิบ่ขอว่าอ้ายบ่ได้ ผู้นั้นก็ไล่หนีผู้นี่ก็ไล่หนีกูก็ไปได้สิร้อบ่เนาะคึดฮอดไผก่อนหมู่บัดบ่มีเงินปีก็บ่เข้ามาวัดสักเทื่อคือรอดผู้ใดก็บ่ฮักกูคือ <c oughs> พลาดพออยู่ใกล้ๆนี่เนาะก็บ่เห็นเนาะอียังละพอออกผมก็ถูกพ่อผมอ่ะนั่นธาตุ มนก็ไปครูอยู่นี่อีหลีเท่าไหร่พ่อก็บ่อยู่หน้าไอ้ Nee da fusang bot Ongen gelau ba wae ke Nee da paw ka mae ยีพอก็สิสมน้ำหน้ามึงได้ แต่ว่าซุ่มผู้เฒ่านี่เต็มตัวเด้อซุ่มผู้เฒ่าได้ยินบ่แม่ใหญ่ที่โตนสร้างเดี๋ยวเบิ่งผู้เฒ่าเฮ็ดเข็มแหมมอยู่หลายคนนี่มันแต่ผู้งามๆแต่ตามใน แต่ถ้าผู้ใดเจ็บตัวตายขึ้นก็ได้ไปเจอกับอามีนาก็พูดเสร็จแล้วเพิ่นได้อธิษฐานตายดุแม่แฮ่ matte ana munti ka da tham het mae nan khaw nan mae ta khaw nan ta yu du nan mai คือว่าเนี่ยมาทําอะไรกันเนี่ยคือว่ามา บ่แปลเลยนี่จะบอกเลยเรียน ฟังนี่ฟังหั่นก็ฟังอยู่ได้ได้ม่วนน่ะศีล 5 ครบได้ลดบุญนั่นครบบ่ จำหมู่ซ่าบุ๊กหมู่ตะเด้อบ่ได้โชใส่บาดใส่บาดใส่บาดได้โชเพิ่นว่า เอาบ่ทูไปอีก 3 องค์คนนั้นใส่บาทคู่มือ บิดาเจ้าน่ะบอกบิดากูน่ะแลถ้ากูบ่ไปเพิ่นมันก็สิแตกเพิ่นบ่โหลงไปอีกมาคุ้มมือนั่นนั่นเอาย่อถวายเพิ่นปัดผ้า เลือกเอาเบิดรักเทือให้ฮอดพระอันใดมาแจบก็โสดจนเบิดเนาะๆเอาขนมขนมย๊าะโคตรพ่อโคตรพี่เองมาดูปะได้เดี๋ยวดิ เพ็ดมันจะเป็นเป็นพี่เด้เอ้ยจังหวะเรื่องบูนี้เด้อ บ่ไปย่าหลอกเข้าเข้าอาวาสถึกกระแหกบ่ไปย่าหลอกจิเลกิโลบิณฑบาตมาได้สงยังบ่ได้อุปโลก อภามมันเป็นหมาวัดดิกินแต่แนวดีๆว่าไอ้ตอนว่าหาขามาได้ตลอดพอละเมืองบาง บ่บ่แม่นบ่โอ้ยเอ้าบ่แม่นเว้าเล่นเด้อาตมาหย่านตัวเจ้าเจ้าเคยได้ยินบ่ล่ะเศรษฐีโตเถยยพรามน่ะเป็นเศรษฐีบ่เคยใส่ไปสัปนะหัว อย่าสายบานนะลูกพระองค์นี้ขี้เกียจชิบหายเลยตื่นเช้าไปโลดโลดด่าพระพุทธเจ้ากูมื้อเพิ่นก็สอนนับโอ้ยไม่ได้ ดึกๆมาบัดนี้เดือนมืดมัวแกขลาดขลาดไปเออบัดนี้เอาไปเอา <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อเป็นอะไรพ่อโอ๋เหนื่อยๆมากลูกลูกเว้าไปมันก็บ่คือหมอ ตายไปใส่มันห่วงมาเกิดเป็นหมาอยู่เฮือนออกกับหมาอยู่เฮือนนั่นล่ะปัดบักอันผู้เป็นพ่อมันเกิดเพิ่นหมาภูแม่นบ่ล่ะประตูงามๆ หมาตัวโตอยู่เฮือนบ่เห็นบ่ผู้ละคนมาลูกเนี่ยผู้สิบ่สิถอยให้หมามันมันเป็นไผเด้ เออเอ็งไอ้โดมิ่งหน้าหลากด้านหลังมากเลยเดี๋ยวเจ้าขาคือ 01:00 เพิ่นสิลุกมานั่ง พ่อทำบาปลูกทำบุญมาก่อนในอดีตชาติลูกชายได้ประสดบันเราต้อง เฝ้าเตบคนใสเห็นเฮาผิดปกติหลายก็เลยออกมา อะไรว่ารู้กูว่าเป็นหมารู้ว่าเจ้าของพระพุทธเจ้าฮู้หูหลูบหางหลูบแล่นเข้าบ้านเลยอยากอายพระลูกซ้ายหลบมาตุบอยู่ไหนเร็วกลับมาเร็วๆๆเร็วๆ ลองหาดูที่มันไปไหนหาดูซิมันเป็นอะไรไม่รู้ไหนหาไปหามากคนใส่ไปซ่องอยู่ใต้เตียงเออๆเพิ่นซ่อลูกเพิ่นเอ็ง เธอต้องตีมันแน่ไม่ได้ตีเจ้าค่ะไม่ได้ตีทําไมมันซึมๆมีอยู่เมื่อเช้าท่านไม่อยู่สมณะโคดม สมณะโคดงบะกล่าวต่อว่าพ่อเขาเกิดเป็นหมางั้นน่ะเจ้าอ่ะดูถูก โบโฆโบโฆเขามากับ 4 หน้าว่าสมณะโคดมเอาอะไรมากล่าวโถพระพ่อเขาเกิดเป็นหมาก็เป็นจริงๆนี่เอาอะไรเป็นหลักฐานโอ้ก็เป็นธรรมดานะตระกูล ถามพ่อเจ้าดูถามใครต่อใครก็เป็นธรรมดานะตระกูลพราหมณ์จะโกรธ ใส่ถาดทองคําที่พ่อเคยใช้เอามาให้เจ้า กำลังง่วงนอนเจ้ากระซิบที่หูเบาๆว่าพ่อทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ไหนแค่นี้แหละเจ้าจะรู้ ลูกใส่จัดถาดทองคํามาถ้วยทองคํามาตักใส่ตักใส่แล้วครับว่าสนามดีกินใส่ถ้วยทองคําเลยมึงมึงเจ้ากูประสาทหรือเปล่าวะกินอิ่มอาบน้ําถ้าโตถ้าแป้ง พ่อทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่ไหนพ่อเฮ้ยมันรู้ดิว่ากูๆๆปุ้นขวดบักใหญ่ลูกชายก็เฝ้าหาขุดจุกๆก็พุกโลดอูยอยู่ๆขวดออกมากตาย หมอดีได้พระโสดาบันเสื้อบุญเด้อบาดนี้เสื้อบุญเอาบาดอัน <laughs> เจ้ามาบุญดีเด้อตามที่จริงนั่นก็บ่คิด แต่ละอันนําไปไว้แต่พอใหญ่อ้วนพุ่นเอาไปสนามนี่โปษคนเป็นพันคนนี่บ่ท่อวิจารณ์ที่บ่ได้เกิดนี่ 500 ปี 60 ปีได้บุญหลายกว่าคนหนึ่งเด้เอ่อได้บุญหลายกว่าคน จังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาลไปปวดวิญญาณโรงพยาบาลบ่ถึกแต่คั่นหัวเพิ่นพากะถึกเบ้อเอ้าออกซอย เหตุสังฆทานถูกต้องเด้อบาดนี้แม่ใหญ่ผู้ใดป่วยบ่เซานั่นเจ็บแข้งเจ็บขานั่นใหญ่เป็น <c ười> Why should It take a chance ofcado IDACHA? Actually, it's a big part of the Nını, If you paha, what a chance of using using and paying you? You? I'm going to pay you to pay you. Yes? You? You could pay vouch for the Nrices. ก็มุ่มๆนี่อดุไปอยากได้ซอยกันผู้ใดเจ็บแข้งเจ็บขานั่นผู้ป่วยอะเฮ็ดให้นั่นตื่นแต่นั่น พอใส่บาดแล้วก็ว่าจังซี่เด้อสายณอิมีนาสักกะเรนะพระ <c ười> ทูปเด้อ 16 ดอกนับทูปไปแน่เออนั่นๆๆทูปปุ๋ยต้มนั่นอยู่ 16 ดอกเสร็จอันสิใส่น้ําให้อืม หลวงพ่อสิพาตรวจน้ําบ่ต้องไปเอาน้ํามาตรวจเออนี่เป็นการส่งวิญญาณเด้อเออส่งให้เพิ่นแน่ ต้องข้าวสารหอมพริกกระเทียมคู่เหลืองน่ะให้เจ้าของกินเบิงแล้วเจ้าเออ <c oughs> เอิ้นเอาจักโมงล่ะ 3:10 น. โอ้เตรียม <c oughs> เอออยากได้บุญดูกะละบาปดูๆอยากได้ ทานหลายปานไดบุญนั้นบ่ท่อมีศีลมีศีลหลายปานไดก็สร้างบุญนั้นก็บ่ท่อได้สมาธิเฮ็ดสมาธิให้มันหลายบ่แม่นจมหลายเด้เห็นบ่เล่า ดาม่วนๆผู้ละคนขัวหาต่ําบ่ได้รถต่ําลูกเพิ่นบ่ให้ อันพยาบาลผู้ใดอยากรวยบ่เซาเด้อเอาเงินให้แม่แน่แล้วให้อยู่บ่ล่ะสิทั้งห่วงจังหาย แลนหาอย่างไรเด้อของดีผู้ละคนน่ะแลนหาบูชาองค์เอาบวชเลยติระบาท บวชมันได้อีหยังก็ศึกษาเข้าคักบ่ไว้ลดซื้อบวชบ่ได้อีหรี เข้ากเอางัวหนุ่มซะตัวแดนหันคักๆนี่สู่บวช <c oughs> ไสบ้านนี่ตื่นขึ้นมาก็ติดเครื่องตุ๊กๆๆๆๆๆๆไปไถเธอสิเธอสิดำอันนี้เฮาตื่นเช้าขึ้นมาก็ถือบาทย่างไปนิมนต์ในขะน้อยอ้ายใดแซ่บๆค่อยพระเบิดหูยมึงจะไปกินของโคบักหานี่ยัง บ่มีเสียงเงินถวายคักคือบินนะเจ้าคะคือปลอดข้าวก็คือบินขึ้นเนาะหัดแด้เด้อเบิดทุกคนนั่นหัดแหนหัด <t fluffy camera> หอขึ้นขี้ฝาไปถึงพุ่นโอ้ยขาวจนพุ่นอยู่ว่าเป็นปุ๋ยฝายหอขึ้นสูงๆน่ะไปตะเบิ่งตัวล่ะบาดนี้ ลูกตนท่านอะไรครับแอปเปิ้ลครับตุ๊กตาเหรอลูกแอปเปิ้ลเหมือนกันค่ะอ่ะลูกขอบใจจ้านี่เทวดาเว้ากันวันนี้อยากแถว เออต่ำจั๊กคุยกันเรื่องใกล้ตีบ่แล้วสิพ่อแม่จ้าโอ้ยสิไปดัดตะลีกกะดอก บ่ต้องไปด่าเว้าม่วนๆกราบพระกราบเจ้าแน่อันนี้พระก็บ่กราบอยู่เฮือนพุทธโคดเบิ่งสติละโทรทัศน์เปิดกูเบิ่งน้ํากราบพระกราบเจ้าแต่ว่าอาตมาถูกตื่มทุกข์ถูกตื่นทุกข์ตื่มทุกข์ตื่นทุกข์ถูกตื่นทุกข์ หา 7 มื้อตีเทื่อเดียวกําเนิดเท่านั้น ปีนี้ใหญ่เออบาดนี้สุมแม่ใหญ่เด้อบาดนี้เด้อปีนี้ผ่อมื้อจะสังเกตบ่ตายหลายหลายหลายตายนั่งตาย โอ้ยเดี๋ยวนี้ไผถิ่นหาบ่ครบเตรียมตัวตายโลดเนี่ยเดินสิงหานี่เอ็งไก่มา <c oughs> Puthau nand fau au ne de nghiin bòi nand hiu hiu nand. Au bùn du du. Au tăng nai khanoi kha lán. Au lán kèdei bùn. Thế tăng nai lán lán kèdei bùn. Kuai lán non kèdei bùn toa. Non sa la la ta mè chì kòm. Kè pieen may chì lạ. อิติปิโฉภควาอรหังสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชชาจรณสัมปันโนบ่แม่ใหญ่บ่สิหลับก่อนกวยหลานเอาบุญนั่งซื่อแน่ 냠มากเอาบุญบ่พี่พี่เสียหญ้าบนี้อิติปิโสขอ บุคมโนดเขาเปิดปึ้มๆบึ้งๆอะหังสัมมาสัมพุทธะภควาบึ้งๆพุทธังภควันตังอภิวาเทมิบึ้ง ถ้ามันเปิดดังปานไดก็บุญไปเลยสาขาเตโภภวตะธรรมโม ขอบุตรพระธรรมประสงค์คุณพ่อคุณแม่คุณธาตุทั้งขอเด้อขอบพระคุณหลายๆข้าผู้ขาขอขอบพระคุณธาตุทั้ง สาธุตายคักๆมื้อแรกสาธุตายคักๆว่าซั่นมื้ออื่นเช้ามาโอ้ยังอยู่ตัวจ้ะบ่แล้งตาย คืนขึ้นมาเออบ่มีไผลูกตะล่ะน้อสบายกู อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธตักน้ําสมอ 1 อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธซาวเข้าใส่หวดอยู่อิติปิโส พวกไทเฮ็ดจังซี่คืออาตมาว่าเด้อใหญ่เด้อเจ้าได้ไปสวรรค์เอาบัดสิตายกะอีติพี่โสภความันสิเคยโตเลยเด้อยากฮู้ ไคคักๆกูมื้อแรกบ่ท่ากระพุทโธลองว่าเบิ่งพุทโธจะสิ มาตอนนี้เอาเอาเอาเอาเกี่ยวทางเอาทกสเฮ็ดอะไรเนาะว่ามันสิไผได้ว่าหล่อ คิดนําบาดใดล่ะนั่นล่ะมองจุติขนาดบวชนําพระพุทธเจ้าคิดนําจีวรใหญ่บ่สิตายยัง มีศีลหลายปานได๋ก็สร้างบุญนั้นบ่ท่อได้สมาธิได้สมาธิหลายปานได๋ล่ะบาดถาม <laughs> ไสล่ะวหันน่ะบ่เก็บปัจจัยมาอยู่ไสแล้วฮูปเข้าคังเบิดซะ Ảm bá say Khương Sākha Thanh, Song Hai Kháo, Ản canh thịt bù nẢm bá say Năm, Song Hai Phơn, ngân để xăm khăn nhảy, xăm cái cấp bài cung thềm vừa rồi, hai loài đi, Ảm bá dị thử, Ảm chút, Sae là tấm luật, suyên phải sae là vượt? Mơ bờ lâu vui. เอาสาดปูให้เราแน่น่ะเออนั่งนั่นอันสุ่มผู้ชายแต่ออกมามานั่งจับนําเออมาสิพาเอาอะดันมา นั่นเอาวางใส่ถึงหมอนเอาของติดกันเบิดเอ้า นัมเมรวนามิบูชาพุทธบูชานบูชาสังคบูชานบูชาสังฆบูชานบูชาปฏิบัติบูชานิบูชาฆราวบูชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ องค์พระพุทธเจ้าโอมพระพุทธเจ้าองค์บรมครูโอมบรมครู ขออาราธนาของพระองค์ท่านอาราธนาอำนาจพระบารมีอํานาจน้อมถวายของพระ ตามสัญญาขออาราธนาอํานาจพระบารมีทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 สังฆทานตามสัญญาสาธุสาธุสาธุบารมีอันใดบุญตั้งใจให้ทานบุญใดกุศล ในที่ยังไม่ได้เกิดจงมีส่วนร่วมนี้เพื่อประโยชน์บริเวณอำเภอนี้ที่ยัง อูยตายายอูยตาเจ้าที่เจ้าทางอูทวดยาทวดอูทวดยาทวดสาธุ ขอให้ทุกดวงวิญญาณจงได้เข้าสู่พระสาธุอืมมีฝ่าย สิดแบ่งเสขันน่ะแนวไว้ใส่พ่อใหญ่อ้วนเห็นแบ่งบ่อ้าวพอออสิดใส่ได้หลายโลดบ่ได้มาสิดดมนเด้เพิ่นน่ะเอาแนวสิดมาพร้อมโลดเด้ เออจังได้มานี่บ่ซั่นเพิ่นมันสิสวมเท่านี้ไปสอยพลาดมาเลยพลาดอืมปัจจัยเพิ่นเอาอืมเอาวางเสียผลไม้เอออ่ะถอยออก ไผออกเออเออสาธุเด้อคุณพระ เพื่อน้อมถวายสังฆทานเพื่อโปรดวิญญาณที่มีกุศลทั้งหลายที่ยังไม่ได้จุติบัดนี้ น้อมถวายสังฆทานเพื่อโปรดวิญญาณได้จุติเข้าสู่พระศาสนาพระอริยะเมตไตรอ่ะทุกดวงวิญญาณ Upa Chitavani Ruchanti Teh Sang Upa Chamo Sukho Anijavata Sankhala Upa Thavayata Mino Upa Chitavani Ruchanti Teh Sang Upa Chamo Sukho Yatha Vali Vaha Ichitang paditang tumhang kippa me vasamin chantu saphe purentu saṅgkappah chanto panaraso yadha mani choti laso yadha saphitiyo viva chantu sapaloko vināsatu māte pavadvantarayo sukhi thikāyuko pava abhivadhanasi risanichang utha pachayino อายุวรรณโณสุขังพลังปรารถนาสิ่งใดอันไม่ผิดศีลธรรมจงสําเร็จจงสําเร็จทุกประการเทอญสําหรับพะยะอ้วนเอาขันนั่นไม่เอาขันนั่นวางไปเทใส่ไปลูกทั้งเบิดนี่พี่ ก็อย่างไรตัวพี่พุ่นไปเทเออเสร็จแล้วหม่ออยู่เท่า คือแสนน้อเออเอ้านั่งลงบาดนี่หันไปเออหันไปอีกเออเพิ่นได้ยินทั้ง นั่งลงซะก่อนนบซะพันว่าน้ํากวนถ้าผู้เฒ่าแน่นั่นเทศไว้ดันเนี่ยทางนี้บ่ต้องไปดอกยายบ่บ่ต้องไปดอกนั่งอยู่นี่ล่ะขึ้นก่อน อย่าฟ่าวเด้อเด้อบอกเอาลุกขึ้นอะวานำบาดพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติบูชาคารวะบูชา องค์พระพุทธเจ้าองค์บรมครูจอมมุนิโลกจอมมุนิธรรมบอกเกิดแห่งธรรมบอก เป็นพยานว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้น้อมถวายสังฆทานต่อพระทั้ง 16 ชั้น 15 ชั้นดินมาเป็นสักขีพยานว่าข้าพเจ้า เอาค่อยๆเทเด้ออย่าเทไว้เด้อเอาเทวาน้ําอ้าวเหยียงอ่าสายนะอิมีนาสสาสกาเรนะพระแม่ธรณีพระราชทูตพญานาคราชทรง ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสาธุอโหสิสาธุกรรมสาธุสัญญาณอลหังนาคราชณณโสธพัจจุรีสาย สิทธิ์เพเนรสัญญาขอให้ทุกดวงวิญญาณลุเวรลุกรรมเข้าสู่พระศาสนาสาธุสาธุอโหสิสาธุเปิดประตูเงินประตูสาธุ 10 สาธุให้ อาโถอโหสิอโหสิอโหสิเถรังหมดแล้วบายอโหสิเอาไปแก้วเดียวกระจกน้อย <c oughs>